เนี่ยนะฮะแปบหนึ่งให้กลมชมประธานผ่านไปก่อนนะฮะยินดีต้อนรับสมาชิใหม่ทุกท่านที่เพิ่งมาถึงด้วยนะครับรอคาว่ารักจะมีเธอเท่านั้นในใจฉันไม่มีที่ว่างให้ใครอยากให้วันพรุ่งนี้เธอรับรู้และเข้าใจไม่ว่ามีใคร ทำใจเธอให้เปลี่ยนเปลี่ยนปลยไปจากใจเพราะใจเธอทำให้เศร้าต่อความจริงฝากไปของใจใครคนหนึ่งคอ้คนหนึ่งรำพึงแต่เธอหยุดได้ไหมวันไหนก็ไม่ต้องมา สายตายัางนั้นมามองให้วันไวเธอก็รู้ว่าฉันมันใจไม่แข็งเท่าไรหัวใจมันอ่อนให้เธอทุกทีถ้าอยอมรักเธอทิ้งไปสักทีควันในใจก็ยังยังรัก พอ่อแรงเธออยากเข้ามารบกวนไม่ต้องมาเจอดีไหมเราทั้มันคนใจอ้อมห้ามใจแล้วฉันห้ามจนอ่อนใจเงินเนื่อนคนนอกจากว่าน่าจะแปลกแล้วว่าร้องเพลงแปลกๆ ก, กันเลยนะ ไม่เอาไม่โตเท่าไรถ้าไปรักใครแม่เตือนว่าไม่ให้บอก โรพี่บุญช้างเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสีธัญญาจะมารักพวกเราเลยนะครับ